มหาวารวักมักคะสังยุตประมวลเรื่องมัคพูดถึงมัคมีองค์แปดในรายละเอียดต่างๆขอยกมาพอเป็นตัวอย่างอุปัฏฐาสูตรพระอนนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าความมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนับว่าเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ หมายความว่าคนที่มาขอบวชแล้วถ้าได้กัลยาณมิตรก็จะสําเร็จประโยชน์ไปกึ่งหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้คิดอย่างนั้นเพราะความมีมิตรที่ดีสหายที่ดีเพื่อนที่ดีนับว่าเป็นทั้งหมดของโคลมจันทร์ทีเดียวภิกษุที่มีมิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีย่อมทำมัชมีองค์แปดให้เจริญได้ พระมณสูตรพระอานนท์เข้าไปบินธบาตเห็นรถม้าขาวสวยงามคนลือว่าเป็นรถที่ประเสริฐสุดในเมืองพระอานนท์กลับจากบินธบดตเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในธรรมวินัยของพระองค์มียานอะไรที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามักมีองค์แปดนี้แหละประเสริฐสุดจะเรียกว่าพรมยานก็ได้ธรรมยานก็ได้ รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมก็ได้คําว่ายานในที่นี้สะกดด้วยยอยักษ์สะระานอโหนูนะครับยานที่แปลว่าพาหนะรถคันนี้มีศรัทธากับปัญญาเป็นเอกมีศรัทธาเป็นทูปทูปในที่นี้สะกดด้วยทอทหารสระอูบอบใบไม้นะครับมีหิริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกมีสติเป็นสารัถี มีศีลเป็นเครื่องประดับมียานเป็นเพลายานในที่นี้สะกดด้วยยอหญิงสารานนเนนนะครับมีความเพียรเป็นล้อมีอุบเบกขากับสมาธิเป็นทูปมีความไม่อยากเป็นประทุนมีความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนและวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะย่อมเป็นไปเพื่อเกษมจากโยคะ อาศัยพรมยานคือรถที่ประเสริฐนี้นักปราดย่อมออกจากโลกได้ชัยชนะอย่างแน่แท้กัละยาณมิตรสูตรที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตมาก่อนความมีมิตรที่ดีก็เป็นบุพพานิมิตของอริยมรรคมีองค์แปดเช่นเดียวกัน โยนิโสมนาสิการสัมปทาสูตรที่สองพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตมาก่อนความมีโยนิโสมนาสิการคือคิดอย่างรอบครอบก็เป็นบุพนิมิตแห่งอริยมรรคมีองค์แปดเช่นเดียวกันนาทีสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสาวกทั้งปวงว่าแม่น้ำคงคาที่ไหลยอยู่นั้นใครจะทําให้มันไหลกลับได้หรือไม่เมื่อพระสาวกทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้เจริญอริยามากมีองค์แปดก็เช่นกันไม่มีใครสามารถหวนกลับได้เธอไม่มีทางลาศิกขาไปเป็นคฤหัตเพราะจิตของเธอน้อมไปเอ็นเอียงไป โน้มไปสู่วิเวกซะแล้วโพชชังคะสั่งยุต์ประมวลเรื่องโพชงเจ็ดในแง่มุมต่างๆเช่นผู้เจริญโพชงเป็นใหญ่ในธรรมะทั้งปวงโพชงเจ็ดไม่มีนอกพระพุทธศาสนาพระมหากัสสปะและพระพุทธเจ้าหายจากโรคาภาษเพราะฟังสวดโพชง คนที่ไม่เจริญพุทชงเรียกว่าคนโง่ใบ้จนเป็นต้นหมายเหตุผู้อ่านการที่ฟังบทสวดพชทชงแล้วหายจากไข้ต้องฟังและแปลออกและน้อมจิตพิจารณาธรรมะในบทสวดตามไปจนเกิดปีติเกิดความเข้าใจได้จริงก่อนนะครับถึงจะหายจากไข้ได้ซึ่งน่าเสียดายมากที่บทสวดดีๆที่เน้นเนื้อหาสาระ ปัจจุบันกลับถูกนำมาเผยแพร่กลายเป็นบทคลัง่งบทศักดิ์สิทธิ์สวนโดยที่แปลไม่ออกไม่เข้าใจแต่คิดว่าจะได้อนิสงฆ์มากมายสุดจะพันนากันกายสูตรตรัสถึงอาหารที่หล่อเลี้ยงนิวรห้าและพ่ชงเจ็ดดังนี้การนึกแต่เรื่องสวยงามคือสุภานิมิต เป็นอาหารของกามชันทะการนึกแต่เรื่องที่ทำให้ขุนเคืองใจคือปฏิฆนิมิตเป็นอาหารของพยาบาทการนึกถึงแต่เรื่องไม่ยินดีเกลียดคร้านบิดขี้เกียจเมาอาหารและเรื่องที่ทำให้ใจหดหูเป็นอาหารของทีนมิทะการนึกถึงแต่เรื่องที่ไม่สงบแห่งจิตเป็นอาหารของอุทจักกุก จ, จะัะ การพิจารณาโดยรอบคอบว่าธรรมะใดดีหรือไม่ดีมีโทษหรือไม่มีโทษเลวหรือปราณีดดำหรือขาวเป็นอาหารของธรรมะวิจยะสัมโพชงการพิจารณาโดยรอบคอบในความดำริริเริ่มพยายามบากบันเป็นอาหารของวิริยะสัมโพชงการพิจารณาโดยรอบคอบซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งของความอิ่มใจ เป็นอาหารของปีติสัมโพ o o t งการพิจารณาโดยรอบคอบซึ่งความสงบกายสงบจิตเป็นอาหารของปสัสสติสัมโพ o o งการพิจารณาโดยรอบคอบซึ่งสมาธินิมิตอัพยาคานิมิตเป็นอาหารของสมาธิสัมพ o o t งการพิจารณาโดยรอบคอบซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งการวางเฉย เป็นอาหารของอุเบกขาสมโพชงสติปัฏฐานสั่งยุต์ปร ะ, นนประมวลเรื่องสติปัฏฐานสี่โดยในต่างๆเช่นผู้ตั้งมั่นในมหาสติปัฏฐานย่อมรู้คุณในวิเศษผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่ามหาบุรุษผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่ามีตนเป็นเกราะ หรือสร้างที่พึ่งแก่ตนผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่ารักษาทั้งตนและผู้อื่นเป็นต้นขอนำมาเพียงบางสูตรหนึ่งสกุณขี่สูตรนกมูลไถไปหากินในที่ที่ไม่ใช่โคจรคือถิ่นหากินของตนถูกเหยี่ยวจับไปรำพันว่าสมควรแล้วที่เราถูกเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป เราะเราไม่รู้จักหากินในถิ่นปีตุภูมิของตนเหยี่วถามว่าที่ไหนละ่ะที่เป็นถิ่นปิตุภูมิของเจ้านกมูลไถกล่าวว่าที่ที่เขาไถานานั่นแหละเหย่่วลำพองในพระกำลังของตนจึงปล่อยนกมูลไถลงไปยังนาที่เขาไถาไว้นกมูลไถก็ยืนท้าให้เฉียวโชบลงมาด้วยความเร็วกระแทกกับก้อนดินตายทันที พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเรื่องนี้แล้วตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเที่ยวไปในที่ซึ่งไม่ใช่ถิ่นของตนมานจะได้ช่องทำลายอันได้แก่กรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์อันน่าใกล้น่าพอใจชักให้ใกล้ชวนให้กำนัดจงเที่ยวไปในถิ่นปีตุภูมิของตน คือสติปัฏฐานสี่เถิดมานจักไม่ได้ช่องทำลายสองจุนทะสูตรหลังจากพระสารีบุตรนิพพานแล้วสามเณรจุนทะถือบาดและจีวรของท่านไปหาพระอานนท์เล่าเรื่องให้ฟังพระอานนท์พาสามเณรจุนทะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระสาวรีบุตรนิพพานแล้ว พระองค์มืด8ปด้านไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวรีบุตรตายไปเธอเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันติดตัวไปด้วยหรืออานน์เมื่อพระอานน์กราบถูนว่าไม่ได้เอาไปด้วยแต่ว่าเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้อนุเคราะห์สั่งสอนธรรมให้คนได้รับรสพระธรรม นาเสียดายที่ท่านจากไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าถึงพระสารีบุตรจากไปแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่เปรียบเสมือนแก่นก็ยังอยู่เหมือนไม้ใหญ่ถึงเปลือกจะเน่าเปื่อยไปแก่นมันก็ยังอยู่ได้นานขอจงสร้างเกราะหรือสิ่งที่พึ่งแก่ตนเองคือเจริญสติปัฏฐานสี่เถิด อินทริยะสั่งยุทธประมวลเรื่องอินรี่ห้าคือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนในรายละเอียดต่างๆเช่นผู้รู้ชัดซึ่งอินรี่ห้านับว่าเป็นพรามที่แท้ในความหมายของพระพุทธศาสนาในสั่งยุทธนี้นอกจากจะพูดถึงอินรี่ห้าอย่างยังแจกอินรี์เป็นหลายประเภทด้วยคืออินรี่สามอินรียห้าอินรี่หก ขอยกมาเพียงบางสูตรหนึ่งเชราสูตรพระอาหนนกราบทูลว่าเดี๋ยวนี้พระาชวีวันของพระองค์ไม่ปุดผ่องเหมือนก่อนพระตาจะคือหนังเหี่ยวย่นพระวรากายคล้อมไปข้างหน้าพระอินทร์คือตาหูแปลปรวนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของธรรมดาอานน์ ในความเป็นหนุ่มก็มีความแก่ในความไม่มีโรคก็มีโรคในชีวิตมีความตาย 2. อปุปภาษโกตะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าผู้ที่เจริญอินทรีย์ห้ามากๆแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะคือบรรลุพระนิพพานพระสารีบุตรกราบทูลว่า ท่านไม่เชื่อพระพุทธดำรัสผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทำให้แจ้งไม่พิจารณาด้วยปัญญาย่อมเชื่อคนอื่นเขาพูดว่าอินทรีทั้งห้าที่บุคคลเจริญให้มากแล้วจะทำให้บรรลุอมะตะข้าพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว จึงหมดความสงสัยว่าอินทรีย์ทั้งห้าอันบุคคลเจริญให้มากแล้วทำให้บรรลุอมตะข้อนี้หมายถึงไม่เชื่อแค่พูดให้ฟังแต่ต้องปฏิบัติให้เห็นผลจึงค่อยเชื่อ